ทำอย่างไรจะให้เชื่อเรื่องกรรมและหลักกรรมสําหรับคนสมัยใหม่บทปฐกถาและคำบรญยาที่เกี่ยวข้องกับหลักกรรมโดยสมเด็จพระพุทธโคสอาจารย์ประยุทธ์ประยุทธ์โตเสียงอ่านโดยอริยะคุณพุทธธรรมโจโจโเสียงธรรมชมรมพลดีเพลงบรรเลงโดยตองพีจัดทาโดยเจ้าภาพหลักคุณณชนนิพาปีติเจริญกุลร่วมเป็นเจ้าภาพโดยคุณกอนชนกมาศวงศกรคุณเอกสิทธิ์พันณเชษ คุณขวัญใจหงคำมีคุณสุภาพรเทมุญประเสริฐและอีกหลายท่านฟังได้จากท้ายเรื่องนะครับขอท่านผู้ฟังทุกท่านร่วมอนุโมทนาเอิ้ออิ่มใจในมหาธรรมทานครั้งนี้ร่วมกันให้ถือเสมือนว่าทุกท่านได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดทำเสียงอ่านชุดนี้ไปพร้อมกันเลยนะครับสำหรับเสียงอ่านชุดนี้ประกอบไปด้วยหัวข้อในหลักกรรมดังต่อไปนี้ทาอย่างไรจึงจะให้เชื่อเรื่องกรรม ความคลาดเคลื่อนสับสนในเรื่องกรรมลทัทธิที่ขัดต่อหลักกรรมหลักกรรมที่แท้วัตถุประสงค์ของการสอนหลักกรรมความหมายที่แท้ของกรรมทำอย่างไรจะสอนหลักกรรมให้ได้ผลค่านิยมกับกรรมและคําบรรยายเรื่องที่สองหลักกรรมสําหรับคนสมัยใหม่ความหมายและประเภทของกรรมเรื่องของบุญบาปกุศลอกุศล ความสำคัญของมโนกรรมเรื่องของจิตสำนึกจิตไร้สำนึกภวังคกจิตวิถีจิตเรื่องสมบัตสิสีวิบัตสิสีและท่าทีที่ถูกต้องต่อกรรมเก่าทำอย่างไรจึงจะให้เชื่อเรื่องกรรมพิมพ์ครั้งแรกในปรัชญาการศึกษาไทยพุทธศักราช2518 บรรยายที่พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปรรมับสำหรับหัวข้อที่ท่านตั้งให้พูดคือเรื่องกรรมนี้จะพูดในแง่ไหนก็ตามก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องสำคัญเพราะเป็นที่เข้าใจในหมู่พุทธศาสนิกชนอยู่ทั่วไปแล้วว่าเป็นหลักใหญ่ของพระพุทธศาสนา ความจริงหลักธรรมใหญ่มีอยู่หลายหลักเช่นเรื่องอริยสัจเรื่องปฏิจจสมุปบาทและเรื่องไตรลักษณ์เป็นต้นธรรมะแต่ละข้อแต่ละข้อเหล่านั้นล้วนแต่เป็นหลักใหญ่หลักสําคัญทั้งสิ้นแต่สําหรับหลักกรรมนี้ประชาชนทั่วไปมีความรู้สึกว่าเกี่ยวข้องกับชีวิตของตนเองใกล้ชิดมากเพราะฉะนั้นความคุ้นเคยกับคําว่ากรรมนี้ ก็อาจจะมีมากกว่าหลักธรรมอื่นๆเย่ียงไรก็ดีเป็นอนันรวมความในที่นี้ว่ากรรมเป็นหลักธรรมสาคัญและเป็นเรื่องที่พุทธศาสนิกชนสนใจมากและเป็นเรื่องที่มีความค้องใจกันอยู่มากด้วยที่ค้องใจนั้นก็เกิดจากความที่ยังคลางแคลงสงสัยในแง่มุมต่างๆไม่เข้าใจชัดเจน เหตุที่หลักกรรมเป็นปัญหาแก่เรามากนั้นไม่ใช่ว่าเพราะเป็นหลักธรรมใหญ่หรือสำคัญอย่างเดียวแต่เป็นเพราะว่าได้มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนและสับสนเกิดขึ้นเกี่ยวกับหลักกรรมอยู่มากเพราะฉะนั้นในการทำความเข้าใจเรื่องกรรมนอกจากจะทำความเข้าใจในตัวหลักเองแล้วยังมีปัญหาเพิ่มขึ้นคือจะต้องแก้ความเข้าใจคลาดเคลื่อนสับสนในเรื่องกรรมนั้นด้วยเพราะฉะนั้น อัตมภาพจึงรู้สึกว่าในการพูดทาความเข้าใจเรื่องกรรมนั้นถ้าเราจะมาแก้ความเข้าใจคลาดเคลื่อนสับสนออกไปซะก่อนอาจจะทําให้ความเข้าใจง่ายขึ้นคล้ายกับว่าหลักกรรมนี้ไม่มีเฉพาะตัวหลักเองเท่านั้นแต่มีของอะไรอื่นมาปิดบงังมาเคลือบคลุมอีกชั้นหนึ่งด้วยถ้าหากว่าเราจะทําความเข้าใจเนื้อในเราจะต้องเปลืองสิ่งที่ปิดบังนี้ออกไปซะก่อน ความคลาดเคลื่อนสับสนในเรื่องกรรมหความสับสนคลาดเคลื่อนในความหมายทีนี้หลักกรรมนี้มีอะไรที่เป็นความสับสนคลาดเคลื่อนเข้ามาปิดบังคลุมอยู่ขอให้ท่านทั้งหลายลองมาช่วยกันพิจารณาดูอาตมาภาพว่ามีหลายอย่างทีเดียว ในความเข้าใจของคนไทยทั่ ว, วไปหรือแม้แต่จํากัดเฉพาะในหมู่พุทธศาสนกชนพอพูดถึงคําว่ากรรมก็จะเกิดความเข้าใจในความคิดของแต่ละท่านไม่เหมือนกันแล้วกรรมในแง่ของคนทั่ ว, วไปอาจจะมีความหมายอย่างหนึ่งและกรรมในความหมายของนักศึกษาชั้นสูงก็อาจจะเป็นไปอีกอย่างหนึ่งไม่ตรงกันแท้ทีเดียว อย่างเช่นในสำนวนภาษาไทยเราพูดกันบ่อยๆว่าชาตินี้มีกรรมหรือว่าเราทํามาไม่ดีก็ก้มนารับกรรมไปเถอะหรือว่าอะไรๆก็สุดแต่บุญกรรมก็เล่ากันอย่างนี้เป็นต้นสำนวนภาษาเหล่านี้แสดงถึงความเข้าใจคําว่ากรรมในความคิดของคนทั่วไปและขอให้ท่านทั้งหลายมาช่วยกันพิจารณาดูว่า ในคำพูดซึ่งสอถึงความเข้าใจอันนี้มันมีอะไรถูกต้องหรือคลาดเคลื่อนไปบ้างจากคำที่อัตมาได้ยกมาอ้างนั้นก็พอมองเห็นความเข้าใจของคนทั่วไปเกี่ยวกับกรรมว่าประการแรกคนโดยมากมองกรรมไปในแง่ตัวผลคือเป็นผลของการกระทำเพราะฉะนั้นเราจึงพูดว่าก่มน่ารับกรรม คำว่ากรรมในที่นี้เป็นผลหรือว่าเราไปเห็นคนได้รับภัยพิบัติหรือเหตุร้ายประสบทุกยากต่างๆเราบอกว่านั่นกรรมของสัตว์เท่ากับบอกว่ากรรมก็คือความทุกยากอะไรต่ออะไรที่เป็นผลซึ่งเขาได้รับอยู่นั้นประการต่อไป เราพูดถึงกรรมโดยมุ่งเอาแง่ชั่วแง่ไม่ดีเรื่องร้ายอย่างที่ว่าก้มหน้ารับกรรมหรือว่ากรรมของสัตว์ก็หมายถึงแง่ไม่ดีทั้งนั้นคือเป็นเรื่องร้ายเป็นเรื่องทุกเรื่องโศกเรื่องภัยอันตรายความวิบัติเหตุร้ายนานานอกจากนั้นก็มุ่งไปในอดีตโดยเฉพาะมุ่งเอาชาติก่อนเป็นสาคัญคาที่ว่ามาโดยมาก ก็มีความหมายสองทีเดียวไปหมดทั้งสามแง่คือมุ่งเอาในแง่เป็นเรื่องร้ายๆและเป็นผลของการกระทาในอดีตชาติฉะนั้นก้มน้ารับกรรมชาตินี้มีกรรมกรรมของสัตว์สุดแต่บุญแต่กรรมอะไรทำนองนี้รวมแล้วก็เป็นเรื่องไม่ดีเป็นเรื่องร้ายเป็นเรื่องผลและเป็นเรื่องเกี่ยวกับในชาติก่อนทั้งนั้น พูดง่ายๆว่าคนทั่วไปมองความหมายของคาว่ากรรมในแง่ของผลร้ายของการกระทำชั่วในอดีตชาติทีนี้มาลองพิจารณาว่าความหมายที่เข้าใจกันนั้นถูกหรือไม่อาจจะถูกแต่ว่าถูกไม่หมดได้เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นตามหลักธรรมะที่แท้จริงเพียงหลักต้นตนท่านก็บอกไว้แล้วว่า กรรมก็คือการกระทํานั่นเองง่ายที่สุดการกระทําอันนี้ไม่ได้หมายถึงตัวผลแต่เป็นตัวการกระทําหมายถึงในแง่เป็นเหตุมากกว่าเป็นผลจะมุ่งถึงการเป็นอดีตก็ได้ปัจจุบันก็ได้อนาคตก็ได้ไม่เฉพาะต้องเป็นอดีตอย่างเดียวคือปัจจุบันที่ทำอยู่นี้ก็เป็นกรรม เราจะมองในแง่ลักษณะว่าดีหรือชั่วก็ได้ทั้งสองข้างคือกรรมดีก็มีกรรมชั่วก็มีเราแสดงออกได้ทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจและที่พูดถึงกรรมอย่างนั้นอย่างนี้ดูเหมือนว่าเป็นเรื่องใหญ่เรื่องรุนแรงความจริงนั้นกรรมก็มีตั้งแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆในความคิดแต่ละขณะ ทุกทุกท่านที่นั่งอยู่ในขณะนี้ก็กำลังกระทํากรรมด้วยกันทั้งนั้นอย่างน้อยก็กำลังคิดเพราะอยู่ในที่ประชุมนี้ไม่สามารถแสดงออกในทางอื่นได้มากไม่มีโอกาสจะพูดหรือจะทำอย่างอื่นก็คิดการคิดนี้ก็เป็นกรรมเพราะฉะนั้นในความหมายที่ถูกต้องแล้วกรรมก็หมายถึงการกระทําที่ประกอบด้วยเจตนา จะแสดงออกทางกายก็ตามวาจาก็ตามหรืออยู่ในใจก็ตามเป็นอดีตก็ตามปัจจุบันก็ตามอนาคตก็ตามดีก็ตามชั่วก็ตามเป็นกรรมทั้งนั้นฉะนั้นความหมายที่พูดกันทั่วไปนั้นจึงทำให้เกิดความสับสนคลาดเคลื่อนขึ้นมาได้อย่างหนึ่งจะต้องทำความเข้าใจให้ถูกตั้งแต่ต้นเป็นอันว่า ภาษาสามัญที่คนทั่วไปใช้พูดกันนั้นมีข้อคลาดเคลื่อนอยู่บ้างซึ่งจะต้องทำความเข้าใจให้ถูกต้องอันนี้เป็นแง่ที่หนึ่งงความคลาดเคลื่อนในทัศนคติ ทัศนคติต่อตนเองแง่ที่สองซึ่งมีความคลาดเคลื่อนกันอยู่มากก็คือทัศนคติต่อกรรมพอพูดถึงกรรมทัศนคติของคนทั่วไปก็มักจะเป็นไปในแง่ของการทอดทุร้าหรือไม่มีความรับผิดชอบทอดทุร้าอย่างไรอันนี้อาจจะแบ่งได้เป็นสองส่วนมองในแง่ตัวเองอย่างหนึ่ง กับมองในแง่ผู้อื่นอย่างหนึง่งมองในแง่ตัวเองความรู้สึกท้อทุรคือรู้สึกว่าย่อท้อยอมแพ้ถดถอยและไม่คิดปรับปรุงตนเองเช่นในประโยคว่าชาตินี้มีกรรมหรือว่าเราทำมาไม่ดีก้มหน้ารับกรรมไปเถอะอันนี้มีแง่ที่พิจารณาได้ทั้งดีและไม่ดีคือเวลาท่านพูดอย่างนี้ เดิมก็คงมุ่งหมายว่าในเมื่อเป็นการกระทําของเราเองทำไว้ไม่ดีเราก็ต้องยอมรับผลของการกระทํานั้นนี่คือความรู้สึกรับผิดชอบต่อตอนเองยอมรับความผิดที่ตนเองก่อขึ้นแต่การที่พูดอย่างนี้ท่านไม่ต้องการให้เราหยุดชะงักแค่นั้นไม่ได้ต้องการให้เราหยุดเพียงว่างอมมืองอเท้าหยุดอยู่และไม่ต้องคิดปรับปรุงตนเอง แต่ท่านต้องการต่อไปอีกว่าเมื่อเรายอมรับผิดจากการกระทำของเราแล้วในแง่ตัวเราเองเราสำนึกความผิดแล้วเราจะต้องแก้ไขปรับปรุงตัวเองให้ดีต่อไปด้วยแต่ในตอนที่เป็นการปรับปรุงนี้มักไม่ค่อยคิดก็เลยทำให้ความรู้สึกต่อกรรมนั้นหยุดชะงักแค่การยอมรับแล้วก็เป็นคล้ายกับยอมแพ้แล้วก็หยุดแล้วก็ท้อถอย ไม่คิดปรับปรุงตนให้ก้าวหน้าต่อไปเพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้จักแยกให้ครบสองตอนคือความรู้สึกรับผิดชอบต่อตอนเองตอนหนึ่งการที่คิดแก้ไขปรับปรุงตนต่อไปตอนหนึ่งความรู้สึกตอกกรรมควรจะมีต่อตอนเองทั้งสองด้านคือหนึ่งเราจะต้องมีความรับผิดชอบต่อการกระทำของตอนเองและสอง ในเมื่อยอมรับส่วนที่ผิดแล้วจะต้องคิดแก้ไขปรับปรุงตนเองเพื่อให้ถูกต้องต่อไปด้วยไม่ใช่หยุดเพียงยอมรับผิดแล้วก็เสร็จกันไปเท่านั้นถ้าหากว่าเราใช้ความหมายของกรรมเพียงในแง่ของการยอมรับและเสร็จสิ้นไปเท่านั้นก็แสดงว่าเราไม่ได้ใช้ประโยชน์ตามหลักคําสอนเกี่ยวกับกรรมอย่างถูกต้องสมบูรณ์และอาจจะให้เกิดผลเสียได้ ทัศนคติต่อผู้อื่นทีนี้ในแง่ความคลาดเคลื่อนของทัศนคติต่อผู้อื่นก็เช่นเดียวกันเวลาเราไปเห็นคนได้รับทุกข์ภัยพิบัตอันตรายต่างๆบางทีเราก็พูดกันว่านั่นเป็นกรรมของสัตว์เพราะว่าเป็นกรรมของสัตว์เราก็ปลงเลยแล้วก็ช่างเขาบางท่านก็เลยไปกว่านี้อีก บอกว่าพุทธศาสนาที่สอนให้วางอุเบกขาทำเฉยเฉยหมายความว่าใครจะได้ทุกได้ร้อนเราก็ปลงเซวะกรรมของสัตว์ก็ทำมาเองไม่ดีเขาจึงได้รับผลอย่างนั้นเราก็วางอุเบกขาอันนี้ก็เป็นแง่ที่ไม่ถูกต้องระวังเหมือนกันในแง่ตอบผู้อื่นทัศนคติก็จะต้องมีสองด้านเหมือนกันจริงอยู่ คนอื่นเขาได้รับภัยที่บาดเหตุร้ายอะไรขึ้นมาเราควรพิจารณาว่าอันนั้นเป็นผลของการกระทาของเขาเช่นคนที่ไปประพฤติ ช, ชั่วถูกจับมาลงโทษอันนั้นอาจจะพิจารณาได้ว่ากรรมของสัตว์จริงที่จริงไม่ใช่เราพูดในแง่ผลหรอกกรรมของสัตว์นั้นเราพูดเลยไปถึงอดีตว่าเพราะการกระทาของเขาที่ไม่ดีแต่ก่อน เขาจึงมาได้รับผลที่ไม่ดีในบัดนี้ถ้าจะพูดให้เต็มน่าจะบอกว่าอันนี้เป็นผลของกรรมของสัตว์ไม่ใช่กรรมของสัตว์แต่พูดย่อๆก็เลยบอกว่ากรรมของสัตว์นี้ก็ถูกอยู่ชั้นหนึ่งว่าเราเป็นคนรู้จักพิจารณาเหตุผลคือชาวพุทธเป็นคนมีเหตุมีผลเมื่อเห็นผลหรือสิ่งใดปรากฏขึ้นมาเราก็คิดว่านี่ต้องมีเหตุ เมื่อเขาได้ประสบผลร้ายได้ถูกลงโทษอะไรอย่างนี้มันก็ต้องมีเหตุซึ่งอาจจะเป็นการกระทําไม่ดีของเขาเองอันนี้แสดงถึงความมีเหตุมีผลในเบื้องต้นคือวางใจเป็นกลางพิจารณาให้เห็นเหตุผลตามความเป็นจริงซะก่อนอย่างนี้ก็เป็นการแสดงอุเบกขาที่ถูกต้องอุเบกขาที่ถูกต้องนั้น ก็เพื่อดำรงธรรมไว้ดำรงธรรมอย่างไรการวางใจเป็นกลางในเมื่อเขาสมควรได้รับทุกโทษนั้นตามสมควรแก่การกระทำของตนเราต้องวางอุเบกขาเพราะว่าจะได้เป็นการรักษาธรรมไว้อันนี้เป็นการถูกในท่อนที่หนึ่งคืออุเบกขาเพื่อดำรงความเป็นธรรมหรือรักษาความยุติธรรมไว้ แต่อีกตอนหนึ่งที่หยุดไม่ได้ก็คือว่านอกจากมีอุเบกขาแล้วในแง่ของความกรุณาก็ต้องคิดด้วยว่าเมื่อเขาได้รับทุกภัยพิบัติแล้วเราจะควรช่วยเหลืออะไรบ้างบางทีพุทธบริษัทก็พิจารณาปล่อยทิ้งไปเสหมดไปเห็นคนยากคนจนอะไรต่ออะไรก็ก ร, รมของศาตว์หมดเลยไม่ได้คิดแก้ไขปรับปรุงหรือช่วยเหลือกัน ทำให้ขาดความกรุณาไปแทนที่จะเน้นเรื่องความกรุณากันบ้างก็เลยไปมัวนเน้นเรื่องอุเบกขาเสียที่จริงธรรมะเหล่านี้ต้องใช้ให้ตรงเรื่องเหมาะเจาะแม้แต่กรณีที่คนได้รับโทษเราว่าอุเบกขากับคนที่เขาได้รับโทษนั้นเราก็ต้องมีกรุณาอยู่ในตัวเหมือนกันเราอุเบกขากับคนที่เขาได้รับโทษเพราะเรามีความกรุณา เรามีเมตตาต่อสัตว์ทั้งหลายเหล่าอื่นบุคคลผู้นี้ได้รับโทษเพื่อให้คนทั้งหลายเหล่าอื่นจำนวนมากได้มีความสุขอยู่ด้วยความสงบเรียบร้อยหรือแม้แต่เป็นความกรุณาและเมตตาต่อตัวผู้ได้รับโทษเองว่าผู้นี้เมื่อเขาได้รับโทษอย่างนี้แล้วเขาจะได้สำนึกตนประพฤตินตนเป็นคนดีต่อไปจากนั้นก็ต้องคิดต่อไปอีกว่า เมื่อเขาได้รับทุกโทษของเขาแล้วเราจะช่วยเหลือเขาให้พ้นจากความทุกนั้นและพบความสุขความเจริญได้อย่างไรอันนี้ก็มีความเมตตากรุณาแฝงอยู่ในนั้นไม่ใช่เป็นศัก์แต่ว่าอุเบกขาอย่างเดียวอันนี้จึงเป็นเรื่องสําคัญเหมือนกันท่าทีของความรู้สึกต่อเรื่องกรรมที่ไม่ครบถ้วนบางทีก็ทําให้มีผลเสียได้ถ้าอย่างไรก็ควรจะมีให้ครบทุกอย่าง เป็นอันว่าทัศนคตินี้บางทีก็คลาดเคลื่อนในแง่ทั้งต่อตอนเองและต่อคนอื่นต่อตอนเองนั้น 1. ต้องมีความรับผิดชอบ 2. ต้องมีความคิดแก้ไขปรับปรุงอยู่ด้วยพร้อมกันและในแง่ต่อผู้อื่นก็ไม่ใช่เอาแต่อุเบกขาอย่างเดียวจะต้องมีเมตตาการุณาด้วยในส่วนใดที่ควรวางอุเบกขาก็วางด้วยเหตุผล เพื่อรักษาความเป็นธรรมหรือตำรงธรรมของสังคมไว้และในแง่ของความเมตตากรุณาก็เพื่อประโยชน์ของบุคคลนั่นเองและเพื่อประโยชน์คนส่วนใหญ่ด้วยต้องมีและมีไปได้พร้อมกันอันนี้เป็นแง่ทัศนคติซึ่งบางทีก็ลืมย้ำลืมเน้นกันไป ความสับสนคลาดเคลื่อนในตัวธรรมะประการที่สเป็นความคลาดเคลื่อนและสับสนในตัวหลักธรรมทีเดียวอันนี้รู้สึกว่าเป็นเรื่องใหญ่ในใจของพุทธศาสนิกชนนั้นเวลานึกถึงกรรมก็คล้ายกับความหมายที่อัตมาภ า, ภาพได้พูดมาข้างต้นคือมักจะพูดถึงเรื่องเก่า ไม่ค่อยนึกถึงกรรมที่กระทำในปัจจุบันโดยมากอาดีตชาติเป็นเกณฑ์ทีนี้หลักกรรมในพุทธศาสนามีแง่หนึ่งที่เราควรพยายามศึกษาให้เกิดความเข้าใจชัดเจนคือแง่ที่จะต้องแยกจากหลักคำสอนในศาสนาอื่นพุทธศาสนานั้นเกิดในชมพูทวีคือประเทศอินเดียเมื่อประมาณสองัน้ปีมาแล้ว ในสมัยนั้นศาสนาต่างๆในอินเดียมีคําสอนเรื่องกรรมอยู่เหมือนกันศา ส, สนาฮินดูก็มีคําสอนเรื่องกรรมศา ส, สนานิครนหรือที่เราเรียกว่าศาสนาเชนหรือมหาวีระท่านก็มีคําสอนเรื่องกรรมเหมือนกันและก็เน้นคําสอนเรื่องกรรมนี้ไว้เป็นหลักสําคัญมากในเมื่อพุทธศาสนาอุบัติขึ้น พระพุทธองค์ก็ได้ส่งทราบคำสอนของศาสนาหล่อนี้แล้วและได้ส่งพิจารณาเห็นว่าเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนไม่สมบูรณ์พระองค์จึงได้ส่งสอนหลักกรรมของพุทธศาสนาขึ้นใหม่เป็นหลักกรรมซึ่งเกิดจากการที่พระพุทธองค์ต้องการแก้ไขความเชื่อที่ผิดในหลักกรรมเดิมแสดงว่าหลักกรรมใหม่นี้จะต้องผิดกับหลักกรรมเก่า ที่สอนกันแต่เดิมในศาสนาพราหมณ์ฮินดูและนิครนเป็นต้นเรื่องหลักกรรมในศาสนาของเขาถ้าแยกแยกออกไปโดยศึกษาเปรียบเทียบกับคําสอนในศาสนาเดิมเราจะเข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นหลักกรรมในศาสนาฮินดูหรือในศาสนานิครนนั้นเมื่อเทียบกับพระพุทธศาสนาในสายตาของคนต่างประเทศ โดยเฉพาะพวกฝรั่งที่มาศึกษามักเข้าใจว่าเหมือนเหมือนกันพุทธศาสนาก็สอนเรื่องกรรมฮินดูนิครนก็สอนเรื่องกรรมทั้งนั้นก็เข้าใจว่าคำสอนในศาสนาเหล่านี้เหมือนกันที่จริงไม่เหมือนในศาสนาฮินดูเขามีหลักกรรมเหมือนกันที่ว่าในตัวคนแต่ละคนมีอัตมันบุคคลแต่ละคนกระทำกรรม กรรมเป็นเครื่องปิดบังอัตมันด้วยอำนาจกรรมนี้บุคคลจึงต้องเวียนว่ายตายเกิดไปจนกว่าจะบริสุทธิ์หลุดพ้นอันนี้ดูเผินๆก็คล้ายของพุทธศา ส, สนาแต่ศาสนาฮินดูสอนหลักกรรมเพื่อเป็นฐานรองรับการแบ่งแยกวันนะส่วนพระพุทธศาสนาสอนหลักกรรมเพื่อหักล้างเรื่องวั น, นะคือชนชั้น หลักกรรมของศาสนาทั้งสองจะเหมือนกันได้อย่างไรตรงกันแต่ชื่อเท่านั้นส่วนในศาสนานิครนก็มีความเชื่อในสาราสำคัญของกรรมคล้ายกันอย่างนี้พระพุทธเจ้าเคยตรัสเล่าความเชื่อเรื่องกรรมของนิครนไว้อตมาภาพจะลองอ่านพุทธพจน์ให้ฟังในเวลาอตมาภาพอ่าน ขอให้ท่านสาธุชนลองเทียบในใจกับหลักกรรมของเราว่ามันเหมือนหรือต่างกันอย่างไรลัทธิที่ขัดต่อหลักกรรมพระพุทธองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสมณพราหม์พวกหนึ่งมีวาทะมีทิฏฐิอย่างนี้ว่า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 ภิกษุทั้งหลายพวกนิครนมีวาทะอย่างนี้อันนี้มาในเทวทหสูตรประไตรปิฎกเล่มสิบสี่มัชิมานิกายอุปริปันธาดพุทธพจน์ ท, ที่ยกมาอ้างนี้แสดงลัทธินิครนหรือศาสดาหมหาวีระนิครนทนาตบุตรที่เราเรียกกันทั่วไปว่าศาสนาเชนศา ส, สนาเชนนี้นับถือคำสอนเรื่องกรรมเก่าเรียกเต็มว่า ปุเพกะตะเหตุวาทะเรียกสันส้นๆว่าปุเพกะตะวาธเมื่อพูดถึงเรื่องนี้แล้วอัตมาก็เลยอยากจะพูดถึงลัทธิที่จะต้องแยกออกจากหลักกรรมให้ครบทั้งหมดขอให้กําหนดไว้ในใจทีเดียวว่าเราจะต้องแยกหลักกรรมของเราออกจากลัทธิที่เกี่ยวกับเรื่องสุขทุกข์ของมนุษย์ที่ได้รับในปัจจุบันสามลัทธิในสมัยพุทธกาลนั้น มีคำสอนสำคัญอยู่สามลัทธิที่กล่าวถึงทุกข์สุขที่เราได้รับอยู่ในขณะนี้ถึงปัจจุบันนี้ลทัทธิศาสนาทั้งหมดเท่าที่มีก็สรุปลงได้เท่านี้ไม่มีพ้นออกไปพระพุทธเจ้าเกิดตรัสถึงลัทธิเหล่านี้และบอกว่าคำสอนของพระองค์ไม่ใช่คำสอนในลัทธิเหล่านี้ลัทธิเหล่านั้นเป็นคำสอนประเภทอกิริยาอากิริยา คือหลักคำสอนหรือทัสนาแบบที่ทำให้ไม่เกิดการกระทาเป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างร้ายแรงอัตมาภาพจะอ่านลัทธิมิจฉาทิฏฐิสามลัทธินี้ตามในยพะพุทธพจน์ที่มาในอังคุตรานิกายติกะนิกายประสุตตันตปิดกบาลีเล่มยี่สิบและในคำพีวิพังแห่งอภิธรรมปิดกพระพุทธองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายลทัทธิเดียวฤีสามลทัทธิเหล่านี้ ถูกบัณฑิตไต่ถามซักไซไล่เลียงเข้ายอมอ้างการถือสืบสืบกันมาจัดเข้าในพวกอกิริยาคือหนึ่งสมณพราหม์พวกหนึ่งมีวาทะมีทิฏฐิอย่างนี้ว่าสุขก็ดีทุกข์ก็ดีมิใช่สุขมิใช่ทุกข์ก็ดีอย่างหนึ่งอย่างใดก็าตามที่คนเราได้สวยทั้งหมดนั้นล้วนเป็นเพราะกรรมที่กระทำในปางก่อนลัทินี้เรียกว่าปุเพกตะเหตุ คือปุเพกะตะวาทะหรือปุเพกะตะวาฏสสมณพราหมวกหนึ่งมีวาทะมีทิฏฐิอย่างนี้ว่าสุขก็ดีทุกข์ก็ดีมีใช่สุขมีใช่ทุกข์ก็ดีอย่างหนึ่งยังได้ก็ตามที่คนเราได้เสวยทั้งหมดนั้นล้วนเป็นเพราะการบรันรดาลของพระผู้เป็นเจ้าเรียกว่าอิสระนิมมานในเหตุตุคืออีสวนนิรมิตวาด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 หลัทีที่หนึ่งดูคล้ายกับหลักกรรมในพุทธศาสนาของเราบอกว่าสุขก็ดีทุกข์ก็ดีมีใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ก็ดีที่เราได้รับอยู่ในปัจจุบันนี้เป็นเพราะกรรมที่กระทาไว้ในปางก่อนเอดูเหมือนกันเละเกินนี่หละเป็นเรื่องสำคัญถ้าหากว่าเราได้ศึกษาเปรียบเทียบเสบ้างบางทีจะทำให้เราเข้าใจหลักกรรมของเราชัดเจนยิ่งขึ้น ถ้าไม่ระวังเราอาจจะนำเอาหลักกรรมของเรานี้ไปปรับปรุงเป็นหลักกรรมของศาสนาเดิมที่พระพุทธเจ้าต้องการแก้ไขโดยเฉพาะคือลัทธิของท่านนิครนนนาตะบุตรเข้าก็ได้เพราะฉะนั้นอัตมาภาพจึงเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญที่นี้ทำไมพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงตาหนิลัทธิทั้งสามนี้เล่าพระองค์ได้ทรงแสดงโทษของการนับถือลัทธิสามลัทธินี้ไว้ อันนี้จะขออ่านตามนัยยะพุทธพจน์เหมือนกันพระพุทธองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายก็เมื่อบุคคลมายึดออกกรรมที่ทำไว้ในปางก่อนเป็นสาระชันทะก็ดีความพยายามก็ดีว่าสิ่งนี้ควรทำสิ่งนี้ไม่ควรทำก็ยอมไม่มีส่วนเรื่องของอีกสองลัทธิก็เช่นเดียวกัน เมื่อนับถือพระผู้เป็นเจ้าหรือความบังเอิญไม่มีเหตุปัจจัยแล้วฉันทากก็ดีความเพียรพยายามก็ดีว่าอันนี้ควรทำอันนี้ไม่ควรทำก็ย่อมไม่มีเมื่อถือว่าผลอะไรที่เราจะได้รับมันก็ล่าแต่กรรมที่ทำไว้แต่ปางก่อนมันจะสุขทุกอย่างไรก็เล่าแต่กรรมที่ทำไว้ในชาติก่อนเราก็ไม่เกิดฉันทาความเพียรพยายามว่าเราควรจะทาอะไร ถึงเรื่องพระผู้เป็นเจ้าก็เหมือนกันอ่อนวอนเอาก็เล่ากันหรือว่าแล้วแต่พระองค์จะโปรดปรานที่จะมาคิดเพียรพยายามทําด้วยตนเองก็ไม่มีผลที่สุดก็ต้องสอนสำทับเพิ่มเข้าไปอีกว่าพระเจ้าจะช่วยเฉพาะคนที่ช่วยตนเองก่อนเท่านั้นไปไปมาก็เข้าหลักกรรมความบังเอิญไม่มีเหตุปัจจัยก็เช่นเดียวกัน ก็เราจะต้องไปทำอะไรทำไมทำก็ไม่ได้ผลอะไรเพราะไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยบังเอิญไปก็ต้องเป็นอย่างนั้นไม่ต้องทำอะไรผลจะเกิดก็เกิดเองแล้วแต่โชครวมความว่าสามลัทธินี้ข้อเสียหรือจุดอ่อนก็คือทำให้ไม่เกิดความเพียรพยายามในทางความประพฤติปฏิบัติไม่เกิดสันทะในการกระทา ส่วนหลักกรรมในพระพุทธศาสนามองเทียบแล้วก็คือว่าจะต้องให้เกิดฉันทะเกิดความเพียรที่จะทำไม่หมดฉันทะไม่หมดความเพียรอันนี้เป็นหลักตัดสินในแง่ทางปฏิบัติหลักกรรมที่แท้การแยกจากความเข้าใจที่ผิด เมื่อเข้าใจหลักกรรมโดยการเปรียบเทียบกับสามลัทธิที่ว่ามานี้แล้วอาตมาภาพเห็นว่าก็จะแก้ไขข้อคลาดเคลื่อนสับสนข้างต้นได้หมดเหมือนกันคือความคลาดเคลื่อนในแง่ความหมายของศั์อย่างที่เข้าใจกันทั่วไปก็ตามหรือความคลาดเคลื่อนในแง่ทัศนคติก็ตามอันนี้แก้ไขได้หมดเพราะฉะนั้นเราจะต้องทําความเข้าใจหลั ก, ก ร, รมของเราให้ถูกต้องอย่าปนกับนิครณ ในศาสนาของนิโครนเขาถือละที่กรรมเก่าสุขทุกอะไรเราจะได้รับอย่างไรก็เพราะกรรมเก่าทั้งสิ้นเขาจึงสอนให้ทำกรรมเก่านั้นให้หมดไปเสียแล้วไม่ทากรรมใหม่ทีนี้กรรมเก่าจะหมดไปได้อย่างไรกรรมเก่าจะหมดไปได้ด้วยการบำเพ็ญตบะพวกนี้ก็เลยบำเพ็ญทุกระกิริยาคือทรมานตนทำอัตตากิฬามัทานุโยคที่พระพุทธองค์ ก็เคยส่งไปบำเพ็ญเมื่อก่อนตรัสรู้บำเพ็ญอยู่ถึงหปีจนแน่พระไทยแล้วก็ทรงประกาศว่าเป็นข้อปฏิบัติที่ผิดไม่ได้ผลอะไรพวกนิครนไม่ต้องการทำกรรมใหม่กรรมเก่าก็หมดไปด้วยตะบักขอให้เทียบหลักนี้กับคำสอนในทางพุทธศาสนาในสลายตนาวักสังยุตตนิกายพระไตรปิฎกเล่มปมีพุทธพจน์ว่าด้วยเรื่องกรรมไวในแง่หนึ่ง พระองค์ตรัสว่าเราจะแสดงกรรมเก่ากรรมใหม่ความดับกรรมและทางดับกรรมแล้วพระพุทธองค์ก็ตรัสว่ากรรมเก่าคืออะไรจากขูตาโสตาหูคานะจมูกชิวหาลิ้นกายคือร่างกายมโนคือใจนี้ชื่อว่ากรรมเก่าอะไรที่ชื่อว่ากรรมใหม่ การกระทำที่เราทำอยู่ในบัดนี้นี่แหละชื่อว่ากรรมใหม่แล้วอะไรคือความดับกรรมท่านบอกว่าความดับกรรมแห่งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนั้นชื่อว่าความดับกรรมอะไรเป็นทางดับกรรมมักมีองค์แปดประการอันประเสริฐคือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเป็นต้นสัมมาทิฏฐิ เป็นปริโยาสานี้เรียกว่าทางดับกรรมอันนี้จะตรงกับลัทธินิกครนอย่างไรในลัทธินิกครเขาสอนว่าทางดับกรรมคือดับกรรมเก่าโดยบัมเพนตบะกับดับกรรมใหม่โดยไม่ำํำพุทธศาสนาดับกรรมโดยมรมีองแปดเราจะเห็นว่าที่ว่าดับกรรมนั้นไม่ใช่ไมําอะไรทาทีเดียวละ แต่ว่าทำอย่างดีอย่างมีเหตุมีผลทำอย่างมีหลักมีเกณฑ์ทำด้วยปัญญาคือทำตามหลักมัชชิมาปฏิปทาทางสายกลางหรือมักมีองค์8ประการต้องทำกันยกใหญ่ทีเดียวตามหลักดับกรรมในที่นี้ไม่ใช่ไม่ทำมักมีองค์8ปประการต้องใช้ความเพียรพยายามเป็นอย่างมากต้องพยายามเพื่อให้มีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นที่ถูกต้อง เพื่อให้มีสัมมาสังกัปปะมีความดําริความคิดที่ถูกต้องให้มีสัมมาวาจาใช้คําพูดที่ถูกต้องให้มีสัมมารกรรมตะการกระทําที่ถูกต้องทางกายสัมมาอาชีวะมีการเลี้ยงชีวิตโดยสัมมาชีพสัมมาวายามะมีความพยายามที่ถูกต้องสัมมาสติมีสติที่ถูกต้องสัมมาสมาธิ บำเพ็ญปลูกฝังสมาธิที่ถูกต้องหลักดับกรรมในพุทธศาสนาคือทำกันใหญ่เลยไม่ใช่ไม่ทำต้องทาจริงจังโดยในย่านี้ถ้าเรามองดูหลักกรรมที่พุทธศาสนาสอนไว้ในที่ต่างๆและจะเห็นว่ามุ่งหมายให้เกิดการกระทำและที่พระพุทธเจ้าปฏิเสธหลักกรรมในศาสนาเก่าก็เพราะหลักกรรมในศาสนานั้น ไม่ส่งเสริมให้เกิดชันทะความเพียรพยายามในการกระทาเพราะฉะนั้นถ้าหลักก ร, รมของเราได้สอนกันไปแล้วทำให้ไม่เกิดชันทะความเพียรพยายามก็มีเกณฑ์ตัดสินได้อันหนึ่งว่าการสอนคงจะคลาดเคลื่อนเสียแล้วเป็นอันว่าในที่นี้เราจะต้องแก้ความคลาดเคลื่อนออกไปเสียก่อนอันนี้เป็นจุดที่อาตมาภาพต้องการชี้ว่า เราควรจะแก้ไขเพื่อทำความเข้าใจกันให้ถูกต้องการทำความเข้าใจให้ถูกต้องขั้นต่อไปคือเราควรจะทำความเข้าใจให้ถูกต้องในหลักกรรมของเราอย่างไรประการแรก เราจะต้องศึกษาความหมายให้ชัดเจนอย่าพึ่งไปเชื่อหรือยึดถือตามที่เข้าใจกันสามัญว่าพูดกันอย่างนั้นก็เป็นอันถูกต้องอย่าพึ่งต้องศึกษาให้เห็นชัดเจนให้เข้าใจแจ่มแจ้งว่าพระพุทธเจ้าต้องการอะไรกันแน่ที่ว่าเมื่อกี้เราจะเห็นว่าความเชื่อของเราในปัจจุบันนี้คล้ายกับลทัทธิกรรมเก่ามากอย่างไรแต่ในทางตรงกันข้าม ก็อาจเกิดความข้องใจว่าเอพุทธศาสนาเนี่ยไม่เชื่อกำเก่าเลยหรือยอย่างไรก็ไม่ใช่อย่างนั้นจะต้องทำความเข้าใจขอบเขตให้ถูกต้องว่ากำเก่าแค่ไหนกำใหม่แค่ไหนเท่าว่าโดยสรุปก็คือพุทธศาสนาถือหลักแห่งเหตุและผลถือว่าสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัยผลที่จะเกิดขึ้นต้องมีเหตุ และเมื่อเหตุเกิดขึ้นแล้วผลก็ย่อมเป็นไปโดยอาศัยเหตุปัจจัยนั้นมันสอดคล้องกันอยู่ในเรื่องกรรมนี้ก็เช่นเดียวกันกรรมเป็นเรื่องของหลักเหตุผลที่เกี่ยวกับการกระทำของมนุษย์เมื่อมันเป็นหลักของเหตุผลแล้วมันก็ต้องมีทั้งสามการนั่นหละมันต้องมีทั้งอดีต ท, ทั้งปัจจุบันทั้งอนาคตเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ปฏิเสธกรรมเก่า แต่ที่ผิดก็คือไปฝังจิตใจว่าอะไรๆต้องเป็นเพราะกรรมเก่าไปหมดนี่มันเป็นข้อเสียพุทธศาสนาถือว่ากรรมเก่านั้นมันเสร็จไปแล้วเพราะย้อนกลับไปทําหรือไม่ทําอีกไม่ได้กตัสานติปฏิการังการกระทําที่ทําไปแล้วเราไปหวนกลับให้กลายเป็นไม่ได้ทําไม่ได้ทีนี้ประโยชน์ที่เราจะได้จากกรรมเก่ามีอะไร มันเป็นเหตุปัจจัยอยู่ในกระบวนการของวงจรปฏิจจสมุปบาทมันเกิดขึ้นมาแล้วมันเป็นเหตุเราปฏิเสธไม่ได้ตามหลักของเหตุผลการกระทำในอดีตก็คือการกระทำที่ทำไปแล้วมันย่อมต้องมีผลข้อสำคัญอยู่ที่ว่าเราควรจะได้ประโยชน์จากอดีตอย่างไรทำไปแล้วแก้ให้กลายเป็นไม่ธรรนะไม่ได้แต่ว่าเรามีทางใช้ประโยชน์จากมันได้ คือในแง่ที่จะทำให้เกิดเป็นบทเรียนแก่ตนเองอย่างหนึ่งและการที่จะรู้จักพิจารณาไตรตรองมองเห็นเหตุผลรู้จุดที่จะแก้ไขปรับปรุงทำให้เป็นคนหนักแน่นในเหตุผลและทำให้เป็นคนรู้จักผิดชอบตนเองไม่มัวโทษผู้อื่นอยู่เรื่อยๆอย่างหนึ่งให้รู้จักพิจารณาว่าผลที่เกิดกับตนเองเกี่ยวข้องกับการกระทาของตัวเราอย่างไร ไม่ใช่มัวรอรับแต่ผลของกรรมเก่าเมื่อพิจารณาเห็นเหตุผลแล้วก็จะเป็นบทเรียนสำหรับคิดแก้ไขปรับปรุงตนเองต่อไปจุดที่พระพุทธเจ้าต้องการที่สุดก็คือเรื่องปัจจุบันเพราะว่าอาดีตรเราไปทำแก้คืนไม่ได้แต่ปัจจุบันนี้เป็นสิ่งที่เราทำได้เรามีอิสรภาพมากทีเดียวในปัจจุบันที่จะกระทาการต่างๆเพราะฉะนั้น เราจะต้องสร้างทัศนคติที่ถูกต้องต่อ ก, กรรมแต่ละอย่างว่ากรรมเก่าเราควรจะวางความรู้สึกอย่างไรเอามาใช้ประโยชน์อย่างไรกรรมใหม่เราควรจะทำอย่างไรนี่ขีดวงแยกกันให้ถูกต้องและจึงจะได้ผลดีขึ้นมาวัตถุประสงค์ของการสอนหลักกรรม ประการต่อไปเราควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการสอนเรื่องกรรมของพระพุทธเจ้าว่าเดิมทีเดียวที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องกรรมขึ้นมานี้พระองค์มีวัตถุประสงค์หรือต้องการอะไรมีความมุ่งหมายอย่างไรในการปฏิบัติธรรมนี้สิ่งสำคัญที่สุดอันหนึ่งคือต้องเข้าใจวัตถุประสงค์ถ้าไม่เข้าใจวัตถุประสงค์หรือความมุ่งหมายแล้ว การปฏิบัติธรรมจะควยเขว้เลื่อนลอยเมื่อเลื่อนลอยไปภาคหนึ่งแล้วก็จะเข้าใจผิดที่เราเข้าใจผิดเรื่องสันโดษเรื่องอุเบกขาอะไรนี่เพราะว่าโดยมากสอนแต่ความหมายทำความเข้าใจแต่ความหมายเราไม่ได้คำนึงถึงวัตถุประสงค์หรือความมุ่งหมายว่าในการปฏิบัติธรรมข้อนี้ท่านมุ่งหมายเพื่ออะไรอย่างสันโดษเนี่ยเราปฏิบัติเพื่ออะไร ถ้าจะสักถามในแง่วัตถุประสงค์ขึ้นมาบางทีก็ชักอึดอัดกันทีเดียวว่าเอ๊ะนี่จะต้องการอะไรแน่จะปฏิบัติธรรมปฏิบัติศีลเรามักจะศึกษาเฉพาะในแง่ความหมายแต่ถ้าจะถามว่าศีลเนี่ยเราปฏิบัติเพื่ออะไรตอนนี้บางทีชักงงไม่ชัดบางทีก็ตอบโล่งทีเดียวบอกเพื่อพระนิพพานตอบอย่างนี้คลุมเครือ ตอบข้ามไปหาวัตถุประสงค์ใหญ่จริงอยู่วัตถุประสงค์ของพระพุทธศาสนาขั้นสูงสุดเพื่อพระนิพพานแต่ว่าไม่ใช่ปฏิบัติศีลอย่างเดียวไปนิพพานได้มันต้องมีเป็นขั้นเป็นตอนเพราะฉะนั้นนอกจากวัตถุประสงค์ใหญ่แล้วยังต้องมีวัตถุประสงค์เฉพาะว่านี่เพื่ออะไรจะตอบว่าเพื่อสมาธิหรือเพื่ออะไรก็ต้องตอบมาให้เห็นสันโดษก็เช่นเดียวกัน ก, รรก็เช่นเดียวกันถ้าเราเข้าใจความมุ่งหมายในการสอนในการปฏิบัติความหมายของธรรมนั้นก็จะชัดเจนขึ้นด้วยแล้วก็เป็นการปฏิบัติอย่างมีหลักเกณฑ์ไม่ใช่เลื่อนลอยไข้เขวสับสนให้เลิกแบ่งแยกชนชั้นโดยชาติกำเนิด นี้ลองมาดูความมุ่งหมายของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนเรื่องกรรมศึกษาในแง่นี้จะเห็นว่ามีหลายความมุ่งหมายละเกินพระพุทธองค์ทรงสอนเรื่องกรรมนี้อย่างแรกก็คือเพื่อขจัดความเชื่อถือและการประพฤติปฏิบัติในสังคมของศาสนาพราหมณ์เดิมเกี่ยวกับเรื่องวันนะวันนะคือการแบ่งชนเป็นชั้นต่างๆ ต, ตามชาติกำเนิด ศาสนาพราหมณ์ถือว่าคนเราเกิดมาเป็นลูกกษัตริย์ก็เป็นกษัตริย์เป็นลูกพราหมณ์ก็เป็นพราหมณ์เป็นลูกแพทย์ก็เป็นพ่อค้าเป็นลูกสูตรก็เป็นกรรมกรคนรับใช้ก็ต้องเป็นวันนั้นตลอดไปแล้วแต่ชาติกําเนิดแก้ไขไม่ได้อันนี้เป็นคำสอนเดิมเขาสอนอย่างนั้นครั้นมาถึงพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงเน้นเรื่องกรรมเกี่ยวกับวันนั้นว่า คนเรานั้นณชัชจาวัโส โ, โหติณชัชจาโหติพราหมโนบอกว่าคนเราไม่ได้เป็นคนถอยคนต่ำสามเพราะชาติกําเนิดแล้วก็ไม่ได้เป็นพราหมณ์หรือคนสูงเพราะชาติกําเนิดแต่กามมุนาวัโส โ, โหติกามุนาโหติพราหมโนจะเป็นคนสามก็เพราะกรรมและเป็นพราหมณ์ก็เพราะกรรมอันนี้ถ้าเรามองกรรมเป็นกรรมเก่า มันก็เข้าไปเป็นอันเดียวกับคำสอนเดิมเขาคือเป็นพรามเขาก็บอกว่าอ้อของท่านก็เหมือนกันท่านบอกเพราะกรรมนี่ก็เพราะกรรมเก่าสิจึงเกิดมาเป็นพรามเกิดมาเป็นคนถอยก็อันเดียวกันคือตามชาติกำเนิดเหมือนกันที่จริงไม่ใช่อย่างนั้นกรรมในที่นี้หมายถึงการกระทาในความหมายหยาบที่สุดก็หมายถึงอาชีพการงาน อย่างในพุทธพจนี้ก็มีขยายต่อไปเช่นบอกว่าใครไปทํานาทําไร่คนนั้นก็เป็นชาวนาไม่ใช่เป็นพราหมณ์ถ้าคนไหนไปนลักขโมยเขาคนนั้นก็เป็นโจรคนไหนไปปกครองบ้านเมืองคนนั้นก็เป็นราชาดังนี้เป็นต้นนี่พระองค์ขยายความเรื่องกรรมหมายความว่าการกระทาที่ประกอบกันอยู่นี้ความประพฤติที่เป็นไปอยู่นี่หละเป็นหลักเกณฑ์สาคัญที่จะวัดคน พุทธศาสนาไม่ต้องการให้มัวไปวัดกันด้วยชาติกำเนิดแต่ให้วัดกันด้วยการกระทำความประพฤติที่บุคคลนั้นประกอบและเป็นอย่างไรตั้งแต่คุณธรรมในจิตใจออกไปนี่ก็เป็นแง่หนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงเน้นมากถ้าเราอ่านในพระไตรปิฎกจะเห็นว่ามีพระสูตรต่ตางๆที่พยายามนำหลักกรรมมาแก้ไขเรื่องการแบ่งชั้นวรรณะด้วยชาติกาเนิดนี้มากมาย ให้รู้จักพึ่งตนเองและหวังผลสำเร็จด้วยการลงมือทำอีกแง่หนึ่งที่สำคัญก็คือความเพียรพยายามในการพึ่งตนเองและรู้จักแก้ไขปรับปรุงตนเองอันนี้ก็เป็นข้อสำคัญที่พระพุทธเจ้าทรงสอนย้าบ่อยๆอย่างหลักอัตหิอัตโนานาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนหรืออย่างตุมเหหิกิจจังอัตปัง ความเพียรท่านทั้งหลายต้องทําเองอาขาตาโรตถาคตาตถาคตทั้งหลายเป็นผู้บอกเป็นผู้ชี้ทางให้ก็เป็นเรื่องที่พยายามให้คนเรามีความเพียรพยายามในการกระทําอย่าไปมัวหวังพึ่งปัจจัยภายนอกอยู่เพราะปัจจัยภายนอกนั้นมันไม่ยั่งยืนและมันไม่อยู่กับตัวเองมันไม่แน่นอนและถึงอย่างไรก็ตาม ตัวเราเนี่ยก็จะต้องทำถ้าจะให้เกิดผลสำเร็จแท้จริงแล้วจะต้องทำจะต้องพึ่งตัวเองให้มากที่สุดพระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องนี้อยู่เสมอพยายามให้เราหันมาพึ่งตัวเองให้มากขึ้นลดความพึ่งปัจจัยภายนอกความเชื่อถือในเรื่องสิ่งที่จะมาอำนวยผลประโยชน์ของเราโดยทางลัดให้มันน้อยลงไปน้อยลงไปอันนี้ก็เป็นแง่หนึ่ง พระพุทธเจ้ามีวัตถุประสงค์หลายอย่างในการสอนเรื่องกรรมแต่ว่าหลักใหญ่ๆก็มีอย่างนี้อัตมาภาพขอยกมาเพียงสองอย่างนี้ก่อนการทำความเข้าใจในวัตถุประสงค์ที่กล่าวมานี้จุดสำคัญก็คือต้องการให้เรามีความเพียรพยายามในการที่จะประพฤติ ท, ทำความดีแก้ไขปรับปรุงตนเองขึ้นไปอันนี้หละเป็นหลักสาคัญมากในพุทธศาสนา ซึ่งถือว่าจุดมุ่งหมายจะบรรลุได้ก็โดยที่ตัวเราต้องทำศา ส, สดาครูอาจารย์เป็นเพียงผู้แนะนำผู้บอกทางให้เท่านั้นไม่ใช่ว่าช่วยเราไม่ได้เลยช่วยแบบที่ว่าส่งเราไปสวรรค์ส่งเราไปนรกส่งเราไปนิพพานนั้นส่งไปไม่ได้แต่บอกทางให้ชี้ทางให้แนะนำพร่ำสอนกันได้เป็นการยานามิตรให้ แต่ถึงตอนทาเราจะต้องทำอันนี้เป็นแง่วัตถุประสงค์ความหมายที่แท้ของกรรมต่อไปจะพูดถึงตัวแท้ของหลักกรรมเองซึ่งก็จะต้องทำความเข้าใจให้ถูกต้องตามความเป็นจริงเหมือนกันหลักกรรมเป็นหลักธรรมที่ลึกซึ้ง พอพูดถึงความหมายที่ลึกซึ้งก็กลายเป็นเรื่องเกี่ยวกันเข้าไปถึงหลักใหญ่ๆโดยเฉพาะปฏิจจสมุปบาทจะต้องระลึกไว้ว่ากรรมนี้ไม่ใช่แต่เพียงเรื่องภายนอกไม่ใช่การกระทาที่แสดงออกมาทางกายทางวาจาเท่านั้นต้องมองเข้าไปถึงกระบวนการทำงานในจิตใจผลที่เกิดขึ้นในจิตใจแต่ละขณะขณะทีเดียวความหมายที่แท้จริงของกรรมมุงเอาที่นั่น คือความเป็นไปในจิตใจของแต่ละคนแต่ละขณะกรรที่จะแสดงออกมาทางกายทางวาจาอะไรๆก็ต้องเริ่มขึ้นในใจก่อนทั้งนั้นที่นี้จุดเริ่มแรกในกระบวนการทำงานของจิตเป็นอย่างไรเกิดขึ้นโดยมีเหตุมีผลอย่างไรและแสดงออกทางบุคลิกภาพอย่างไรในขั้นลึกซึ้งจะต้องศึกษากันอย่างนี้ ถ้าทำความเข้าใจกันในเรื่องนี้ให้ชัดแจ้งแล้วเราก็มองเห็นว่ากรรมเกี่ยวพันกับชีวิตของเราอย่างชัดเจนอยู่ตลอดเวลาทุกขณะแต่ความเข้าใจในขั้นนี้เป็นขั้นที่ยากอย่างไรก็ตามถ้าเราต้องการให้เชื่อหลักกรรมหรือเข้าใจหลักกรรมรู้หลักกรรมที่แท้จริงแล้วก็จาเป็นต้องศึกษาเรื่องนี้ทั้งๆ ท, ที่ยากนั่นแหละถ้าไม่อย่างนั้นก็ไม่มีทาง ถ้าเราไม่สามารถศึกษาให้เข้าใจชัดเจนถึงกระบวนของกรรมในขั้นจิตใจตั้งต้นแต่ความคิดออกมาจนชัดเจนได้เราก็ไม่มีทางที่จะมาสอนกันให้เข้าใจหรือให้เชื่อหลักกรรมได้ความคิดที่มีผลต่อบุคลิกภาพออกมาแต่ลัขณะแต่ลัขณะนั่นแหละคือกรรมกรรมนี้ความจริงก็คือเรื่องของกฎธรรมชาติเรื่องของข้อเท็จจริง ความจริงปัญหาของเราไม่ใช่ว่าทำอย่างไรจรึงจะเชื่อกรรมเมื่อหลักกรรมเป็นกฎธรรมชาติเป็นหลักแห่งความจริงมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ทำอย่างไรจะเชื่อแต่กลายเป็นว่าทำอย่างไรจรึงจะรู้จะเข้าใจเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อไม่มีผลต่อหลักกรรมหลักกรรมเป็นความจริงมันก็คงอยู่อย่างนั้นเราจะเชื่อเราจะไม่เชื่อ มันก็เป็นความจริงของมันอยู่เข้าหลักที่พระพุทธเจ้าตรัสอย่างเรื่องธรรมนิยามว่าอุปาทาวาภิกเเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังตถาคตทั้งหลายจะอุบัติหรือไม่อุบัติก็ตามหลักความจริงนั้นมันก็ต้องเป็นความจริงอยู่อย่างนั้นแม้แต่พระพุทธเจ้าไม่อุบัติมันก็เป็นความจริงของมันข้อสาคัญอยู่ที่ว่า ทำอย่างไรจะศึกษาให้เข้าใจชัดเจนเพราะฉะนั้นไปไปกลายเป็นว่าจะต้องเปลี่ยนหัวเรื่องที่ตั้งไว้แต่ต้นที่ว่าทำอย่างไรจึงจะเชื่อเรื่องกรรมกลายเป็นว่าทำอย่างไรจึงจะรู้หรือเข้าใจเรื่องกรรมเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่มันเป็นความจริงคุณจะยอมรับไม่ยอมรับชีวิตของคุณก็ต้องเป็นไปตามกรรม ถ้าหากว่าเราทำได้ถึงขั้นนี้แล้วเราไม่งอคนเชื่อเพราะฉะนั้นอัตมาภาพว่าสําคัญที่นี่สําคัญที่จะต้องศึกษาให้เข้าใจชัดเจนแสดงให้เห็นตัวความจริงได้แล้วเราไม่งอคนเชื่อเราบอกว่าอันนี้เป็นกฎธรรมชาติเป็นความจริงของมันอยู่เองคุณจะเชื่อไม่เชื่อฉันไม่งอต้องถึงขั้นนั้นนั่นแหละ ที่นี้ปัญหาว่าทำอย่างไรจรึงจะเข้าใจหรือรู้หลักกรรมมันกลายเป็นเรื่องยากขึ้นมาเรื่องกรรมเนี่ยเราพูดกันมากแต่ก็พูดกันเพียงแค่ภายนอกโดยมากมุ่งผลห ย, ยาบๆที่แสดงแก่ชีวิตของคนเราถ้าเป็นผลในแง่ดีก็มองไปที่ถูกลอตเตอรี่หรือร่ำรวยได้ยศศัก์อย่างใหญ่ๆเป็นก้อนใหญ่ๆจึงเกิดความรู้สึกว่าอันนี้คงจะเป็นผลของกรรมดี ในแง่ร้ายเราก็มองไปถึงเกิดภัยพิบัติเกิดอันตรายใหญ่โตไปอย่างนั้นจึงจะรู้สึกเรื่องกรรมแต่ในแง่นั้นยังไม่ถึงหัวใจแท้จริงของกรรมถ้าศึกษาให้เข้าใจชัดเจนจะต้องเริ่มตั้งแต่กระบวนการของจิตใจภายในใ น, นี้เป็นต้นไปและจะกลายเป็นเรื่องยากขึ้นมาศึกษาแต่ด้านภายนอกให้มองเห็นกรรมที่แสดงออกเป็นเหตุการณ์ใหญ่ๆนั้นไม่พอ ต้องหันมาศึกษาเรื่องลึกซึ้งด้วยอันนี้อัตมาภาพก็เป็นแต่เพียงมาเสนอแนะเราจะมาพูดถึงเนื้อแท้ของหลักกรรมในแง่ลึกซึ้งอย่างเดียวก็คงไม่ไหวในที่ประชุมนี้เป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวเป็นแต่บอกว่าควรจะเป็นอย่างนี้เท่านั้นเป็นอันว่าที่ตั้งเป็นหัวข้อว่าทำอย่างไรจะเชื่อเรื่องกรรมนี้ปัญหามันอยู่ที่ว่าจะศึกษาทาความเข้าใจเรื่องหลักกรรมนี้ให้ลึกซึ้ง เห็นข้อเท็จจริงออกมาได้อย่างไรอันนี้เป็นปัญหาระยะยาวขอผ่านไปก่อนเพราะไม่มีเวลาจะพูดลึกซึ้งไปได้ในเรื่องนี้อีกทำอย่างไรจะสอนหลักกรรมให้ได้ผลทีนี้ต่อไปพูดถึงปัญหาเฉพาะหน้าว่า ทำอย่างไรจะให้คำตอบเรื่องกรรมนี้เป็นผลขึ้นมาในทางปฏิบัติอาตมาภาพคิดว่าการที่ท่านตั้งชื่อเรื่องว่าทำอย่างไรจะให้ชื่อเรื่องกรรมนี้ท่านคงมุ่งผลว่าทำอย่างไรจะได้ผลในทางปฏิบัติคือเด็กก็ตามคนหนุ่มสาวก็ตามคนผู้ใหญ่ทั่วไปในสังคมก็ตามจะประพฤติปฏิบัติทำแต่กรรมดีไม่ทาชั่วเพราะกลัวผลชั่วอะไรทานองนี้ ท่านคงมุ่งหมายอย่างนั้นเป็นเกณฑ์คือทาอย่างไรจะประพฤติกรรมดีแล้วก็หลีกเว้นกรรมชั่วอันนี้จะพูดถึงในแง่ที่เขาเรียกกันในปัจจุบันค่านิยมกับกรรมคนสมัยนี้เขามีศัพท์ที่ใช้กันอันหนึ่งเรียกว่าค่านิยมโดยเฉพาะค่านิยมในทางสังคม อันนี้กระทบกระเทือนต่อหลักกรรมมากในขณะที่เรายังไม่สามารถศึกษาชี้แจงออกมาให้เห็นชัดกันในเรื่องหลักกรรมโดยให้เป็นเรื่องแพร่หลายที่สุดได้นี้เราจะต้องมาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเรื่องนี้ก่อนจะแก้ได้อย่างไรค่านิยมของสังคมที่ยกย่องในทางวัตถุมากอันนี้จะมากระทบกระเทือนต่อหลักกรรมค่านิยมอย่างนี้ มองเห็นได้จากคำพูดที่เกี่ยวกับกรรมนั่นเองเวลาเราพูดว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วคนส่วนมากนึกถึงค่านิยมในทางวัตถุทําดีได้ดีคำว่าดีในนั้นทําดีก็ตามได้ดีก็ตามยังไม่ได้บอกชัดเลยว่าอะไรดีแต่ตามหลักความจริงโดยเหตุผลนั้นทําดีก็ย่อมได้ดีทาชั่วก็ย่อมได้ชั่วเป็นหลักธรรมดาตามธรรมชาติ ถ้าหากว่ามันผิดก็แสดงว่าคนต้องมีความไม่ซื่อตรงเกิดขึ้นในเรื่องนี้เพราะว่าตามกฎธรรมดานี้เหตุอย่างไรผลอย่างนั้นเป็นหลักทั่วไปไม่ว่าใครก็ต้องยอมรับเพราะฉะนั้นที่ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนี่เป็นหลักสามัญเป็นกฎธรรมดาถ้าคนไปเห็นว่าหลักนี้ผิดแสดงว่าต้องมีความไม่ซื่อตรงเกิดขึ้น คดโกงกันในหลักกรรมนี่แหละคดโกงในกฎธรรมชาติเขาคดกันอย่างไรทำดีได้ดียังไม่แจ้งออกไปอะไรดีบอกว่าทำดีได้ดีถ้าเราขยายว่าทำดีดีตนนั้นเป็นกรรมทำความดีผลต้องได้ความดีทำความชั่วได้ความชั่วนี่ต้องตามหลัก ความดีเนี่ยคนชักงงอีกแล้วความดีนี่บางทีไปนึกเป็นความดีความชอบไปอีกแล้วเอาอีกแล้วเลยเถิดไปอีกเหมือนกันความดีเนี่ยคือตัวคุณธรรมก็ได้ตัวคุณธรรมทำตัวความดีได้ตัวความดีเมื่อเราสร้างเมตตาขึ้นในใจเราก็ได้เมตตาอันนี้ไม่มีปัญหาทีนี้คนจะคดโกงกับหลักนี้อย่างไร ขยายธรรมดีได้ดีออกไปทำความดีได้ความดีคนไม่คิดอย่างนั้นทำความดีได้ของชั่วทำความชั่วได้ของดีทำนองนี้มันกลับไปเสย่ยงนี้เป็นอย่างไรทำความดีได้ของดีฉันประพฤติความดีฉันขยันฉันให้ของอันนี้ไปทำทานอันนี้ฉันจะต้องถูกลอตเตอรี่ความดีในที่นี้ไม่ใช่ตัวความดีซื้อแล้ว ลอตเตอรี่เป็นของดีอันนี้ไม่ตรงแล้วบอกทำความดีได้ของดีคนไปกลับหลักเสียนี่ไม่ซื้อตรงแล้วผิดต่อกฎธรรมชาติฉะนั้นความคลาดเคลื่อนก็เกิดจากความที่คนเราทั้งหลายไม่ซื้อตรงนั่นเองไม่ใช่หลักการผิดพลาดคลาดเคลื่อนอะไรคนเราไม่ซื้อตรงต่อกฎธรรมชาติเอง เราเข้าใจกันไปสร้างความหมายที่เราต้องการเอาเองอะไรที่ถูกใจเราเราต้องการให้เป็นอย่างนั้นเมื่อไม่ได้อย่างใจเราเราก็โกรธเราก็หาว่าหลักนั้นผิดเราบอกว่าเราทําดีแล้วทําไมมันไม่ถูกลอตเตอรี่มันจะไปเกี่ยวอะไรกันโดยตรงมันไม่เกี่ยวโดยตรงมันเกี่ยวโดยอ้อมผลอย่างนี้ไม่ใช่ผลโดยตรงไม่ใช่ความซื่อตรงในหลักกรรมแล้ว นี่ก็อันหนึ่งเป็นเรื่องสำคัญเกี่ยวกับค่านิยมคำที่ว่านี้แสดงค่านิยมในทางวัตถุของมนุษย์ในสังคมค่านิยมเป็นกรรมปัจจุบันสิ่งที่ดีสิ่งที่ประสงค์ในใจของมนุษย์นั้น มุ่งไปที่ผลได้ทางวัตถุเป็นสำคัญความสะดวกสบายทางวัตถุความมีทรัพสมบัติก็กลายเป็นเครื่องวัดที่สำคัญไปความสุขความทุกข์ของมนุษย์ก็มาวัดที่วัตถุคนเราก็นิยมวัตถุมากทีนี้ในเมื่อนิยมวัตถุมากความนิยมในทางจิตใจก็น้อยลงความหมายก็ไม่มีแม้แต่เกียรติที่ให้กันในทางสังคมมันก็มุ่งไปทางวัตถุมากขึ้น ในเมื่อสังคมนิยมเกียรติที่วัดกันด้วยวัตถุอย่างนี้แล้วมันก็เป็นการคลาดเคลื่อนต่อความหมายคือคนเราเนี่ยไม่ซื่อตรงต่อหลักหรือกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเมื่อนิยมอย่างใดก็เป็นธรรมดาอยู่นั่นเองที่เราจะต้องการให้ได้ผลอย่างนั้นขึ้นมาแต่ผลที่ไม่ตรงต่อเหตุมันก็เป็นอย่างที่เราต้องการไม่ได้ในเมื่อไม่ได้เราก็หาว่าหลักนั้นไม่ถูกต้อง แล้วเราก็ว่าไม่เชื่อบ้างอะไรบ้างก็ตามแต่อันนี้ก็ชื่อว่าเป็นผลของกรรมที่คนทำกันในสังคมนั่นเองคือกรรมของการที่เรามีค่านิยมทางวัตถุมากมาเอาความดีความเจริญความก้าวหน้าความสุขกันอยู่แต่ที่วัตถุเลยหลงลืมคุณค่าทางจิตใจในเมื่อหลักกรรมเป็นเรื่องเกี่ยวกับจิตใจอยู่มากเราไม่ให้ความสาคัญในทางจิตใจ หรือทางคุณธรรมเสียแล้วหลักธรรมมันก็หมดความหมายลงไปสำหรับเราเป็นธรรมดาถ้าหากว่าเราต้องการให้คนมาประพฤติตามหลักธรรมเราก็ต้องช่วยกันเชิดชูคุณค่าทางจิตใจหรือคุณค่าทางฝ่ายคุณธรรมให้มากขึ้นเราจะต้องรู้จักขอบเขตของคุณค่าทางวัตถุเราจะต้องวัดกันด้วยวัตถุให้น้อยลงอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกัน ถ้าหากว่าสังคมเรานิยมยกย่องวัตถุกันมากมันก็เป็นธรรมดาอยู่เองที่จะต้องวัดดีคือวัดความดีและผลดีกันด้วยวัตถุการที่สังคมไปนิยมยกย่องวัตถุมากไม่ใช่กรรมของคนที่อยู่ในสังคมนั้นหรือกรรมในที่นี้หมายถึงการกระทำซึ่งรวมถึงพูดและคิดความคิดที่นิยมวัตถุนั้นเป็นกรรมใช่หรือไม่ ในเมื่อแต่ละคนทำกรรมอันนี้คือหมายความว่ามีความโลภในวัตถุมากอันนี้เป็นกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมเมื่อเป็นอกุศลก็กลายเป็นว่าคนในสังคมนั้นทำอกุศลกรรมกันมากเมื่อทำอกุศลกรรมกันมากวิบากที่เกิดแก่คนในสังคมก็คือผลร้ายต่างๆ ฉะนั้นมนุษย์จะต้องมองให้เข้าใจความสัมพันธ์อันนี้จะต้องเข้าใจว่าสังคมที่เดือดร้อนวุ่นวายกันอยู่มีความไม่ปลอดภัยมีภัยอันตรายเกิดขึ้นในที่ต่างๆมากมายไปไหนก็ไม่สะดวกสบายนั้นมันเกิดจากกรรมของเราแต่ละคนด้วยเราจะต้องมองให้เห็นความสัมพันธ์ถึงขนาดนี้จึงจะได้ถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเราจะไม่เข้าใจซึ้งถึงเรื่องกรรมหรอกมันสัมพันธ์อย่างไร เอ๋ ه, ก็ที่มันเกิดภัยอันตรายโจรผู้ร้ายมากมายคนไม่ค่อยประพฤติศีลธรรมเป็นกันมากมายไม่เห็นเกี่ยวกับเราเลยคนอื่นทำทั้งนั้นเนี่ยละ่ะเราสัตว์ความรับผิดชอบละ่ะที่จริงเป็นกรรมของแต่ละคนที่ช่วยกันสร้างขึ้นตั้งแต่ค่านิยมที่อยู่ในใจเป็นต้นไปเพราะเรานิยมเรื่องนี้มากใช่ไหมผลมันจึงเกิดในแง่นี้อัตมาภาพว่าพอจะเชื่อมได้อยู่ ลองศึกษาให้ดีเถอะมีค่านิยมอย่างนี้คนก็สแสวงแต่เรื่องนี้ความสุขความอะไรวัดกันด้วยวัตถุอย่างเดียวคนก็ต้องพยายามสแสวงสแสวงด้านเดียวไม่มียัง้งเมื่อสแสวงไปแบบนั้นมันก็อาจจะก่ะไปในรูปอาชญากรรมความประพฤติเสื่อมเสียต่างๆการแย่งชิงอะไรต่ออะไรกันมากก็คือความนิยมที่เป็นมโนกรรมอยู่ในจิตใจของแต่ละคนนั้น เป็นเหตุให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาในระยะยาวถ้าสามารถมองจนเห็นว่าเหตุร้ายภัยพิบัติความเสื่อมเสียต่างๆที่เกิดในสังคมนี้เป็นผลวิบากเกิดแต่กรรมของเราทั้งหลายนั่นเองได้อย่างนี้แสดงว่าพอจะทาความเข้าใจในเรื่องกรรมกันได้บ้างแต่ขั้นแรกต้องให้เห็นความสัมพันธ์กันก่อน ประการต่อไปว่าถึงในระยะยาวจะทำอย่างไรเรื่องกามนี้เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องคุณค่าทางนมามธรรมที่มองเห็นได้ยากจะต้องศึกษาใช้สติปัญญากันไม่ใช่น้อยการที่จะให้คนประคติปฏิบัติกันจริงจังได้ผลในระยะยาวจะต้องอบรมปลูกฝังกันจนเป็นนิสัยจะต้องให้การศึกษาตามแนวทางที่มีความเข้าใจในหลักกา ร, รมเป็นพื้นฐาน คือต้องฝึกฝนอบรมตั้งแต่เด็กให้ประพฤติด้วยสำนึกรับผิดชอบต่อการกระทำของตนจนเคยชินถ้าไม่ทำอย่างนี้ได้ผลยากการศึกษาให้เข้าใจความหมายที่ลึกซึ้งนั้นเป็นเรื่องยากแม้จะเป็นความจริงก็ตามแต่สิ่งที่จะทำได้ในทางการศึกษาก็คือสิ่งใดตกลงแน่ ว, ว่าดีว่างามแล้ว เราจะต้องฝึกอบรมคนให้ใส่ใจรับผิด ช, ชอบตั้งแต่เล็กแต่น้อยไปเมื่อเราต้องการให้สังคมเป็นสังคมที่นับถือหลักกรรมก็ต้องฝึกอบรมกันตั้งแต่เด็กปลูกฝังผู้ที่จะมาเป็นสมาชิกของสังคมนั้นให้มีแนวความคิดและความประพฤติปฏิบัติที่ซื่อตรงต่อกฎธรรมชาติในเรื่องของกรรมตั้งตนแต่ว่าต้องปลูกฝังค่านิยมซึ่งมองเห็นคุณค่าทางจิตใจสูงขึ้น ไม่วัดกันด้วยวัตถุให้มากนักเข้าใจความหมายขอบเขตแห่งคุณค่าและความสำคัญของวัตถุตามความจริงความควรคุณค่าแท้กับคุณค่ารองในเรื่องวัตถุนั้น ไม่ใช่ว่าพุทธศาสนาจะปฏิเสธคุณค่าของวัตถุไม่เห็นความจำเป็นของวัตถุเลยพุทธศาสนาเห็นความสำคัญมากเหมือนกันวัตถุเป็นสิ่งจำเป็นปัจจัยสี่เป็นสิ่งอุดหนุนให้ชีวิตเราดำรงอยู่ได้สัพเพสัตว์ตาอาหารทิติกาสัตว์ทั้งปวงต้องดำรงชีวิตอยู่ด้วยอาหารถึงที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคก็เป็นปัจจัยสำคัญของชีวิต พุทธศาสนาเห็นว่าแม้แต่พระสงฆ์เองซึ่งต้องการวัตถุน้อยที่สุดก็ยังต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้ขาดไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าไม่สำคัญแต่ความสำคัญนั้นก็มีขอบเขตของมันเหมือนกันคุณค่าของวัตถุนั้นเราอาจจะแยกออกได้สองส่วนขอให้ท่านลองคิดดูอย่างง่ายๆมีสองส่วนคือคุณค่าแท้หรือคุณค่าขั้นต้น กับคุณค่ารองตัวอย่างปัจจัยสี่นี้เป็นต้นเสื้อผ้าเนี่ยคุณค่าต้นหรือคุณค่าแท้ของมันคืออะไรคือเพื่อปกปิดกายป้องกันความละอายแก้ความหนาวความร้อนเป็นต้นนี่คือประโยชน์แท้หรือคุณค่าแท้ของมันแต่สำหรับมนุษย์ปุถุชนแล้วมันไม่แค่นั้นมันจะมีคุณค่ารองอีก คุณค่ารองนี้คืออะไรคือความที่จะให้เกิดความรู้สึกสวยงามโก็หรูหราอวดกันวัดกันอะไรต่างๆเป็นต้นนี่คือคุณค่ารองเรียกอีกอย่างว่าเป็นคุณค่าเทียมอย่างเราใช้รถยนต์มันจะมีคุณค่าแท้ส่วนหนึ่งและสาหรับบางคนก็จะมีคุณค่ารองอีกส่วนหนึ่งคุณค่าแท้คืออะไรคุณค่าแท้ก็ใช้เป็นยานพาหนะ นำเราไปสู่ที่ไมาด้วยความรวดเร็วแนวความคิดที่ควบกับคุณค่านี้ก็คือพยายามให้สะดวกรับปลอดภัยทนทานที่สุดคุณค่ารองก็คือว่าเราจะต้องให้โก้เป็นสิ่งแสดงฐา น, นะอะไรต่างๆเป็นต้นความคิดที่ควบกับคุณค่าแบบนี้ก็คือต้องพยายามให้สวยให้เด่นที่สุดถึงสิ่งอื่นๆก็เหมือนกันที่อยู่อาศัยก็มีคุณค่าแท้ คือให้เป็นที่พักพิงหลบภัยและเป็นที่ที่เราจะได้ดำรงชีวิตส่วนเฉพาะของเราในครอบครัวของเราให้มีความสุขหรืออะไรก็ตามแต่แต่ก็มีคุณค่ารองอีกเหมือนกันในความหมายของปุตตุชนเช่นการแสดงฐานะแสดงความหรูหราหรืออะไรก็ตามแต่สิ่งทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเราทางวัตถุนี้ปุตุชนมักจะมีคุณค่าอยู่สอง คือคุณค่าแท้กับคุณค่ารองพุทธศาสนายอมรับคุณค่าแท้คุณค่าแท้นี่แหละสำคัญพระบวชมาท่านจะให้พิจารณาปฏิสังขายโยเช่นเวลาฉั้นบินทบาทให้พิจารณาบอกว่าปฏิสังขายโยนิโสปินท ป, ปาตังปฏิเสวามิข้าพเจ้าได้พิจารณาโดยแยกคายจึงฉันอาหารอย่างนี้เป็นต้น พิจารณาอย่างไรท่านก็บอกต่อไปว่าฉันเพื่ออะไรให้เรารู้ว่าที่เราฉันเนี่ยฉันเพื่อให้มีกําลังกายจะได้มีชีวิตเป็นไปแล้วเราจะได้ทำหน้าที่ของเราอะไรต่ออะไรได้เป็นอยู่สบายนี่คือคุณค่าแท้ต่อไปคุณค่ารองก็คืออ ร, อร่อยอร่อยต้องมีเครื่องประดับเสริมต้องเป็นนั่งในพัตคารให้หรูหรา อาจจะเป็นมื้อละพันหรือมื้อละหมื่นก็มีแต่ว่าคุณค่าทางอาหารบางทีก็เท่ากับมื้อละสิบบาทหรือห้าบาทแต่ว่ามื้อละพันหรือมื้อละห้าบาทคุณค่าที่จำเป็นคุณค่าแท้ต่อชีวิตเท่ากันคุณค่ารองหรือคุณค่าเทียมไม่เท่ากันในชีวิตของปุตุชนนี้คุณค่ารองเป็นเรื่องสาคัญแล้วคุณค่ารองนี่แหละ ที่ทำให้เกิดปัญหาแก่มนุษย์มากที่สุดปัญหาอาชญากรรมที่เกิดจากความแร้นแค้นยากจนอันเป็นสาเหตุทางเศรษฐกิจเป็นปัญหาสำคัญมากพุทธศาสนายอมรับแต่ความชั่วร้ายในสังคมที่เกิดจากคุณค่ารองหรือคุณค่าเทียมของสิ่งทั้งหลายนั้นมากมายกว่าคนเรานี้สแสวงหาคุณค่ารองกันมากมายเหลือเกินแล้วปัญหามันเกิดขึ้นนานาประการทีเดียว เป็นปัญหาขนาดใหญ่และมีผลกว้างไกลกว่าปัญหาที่คนยากจนสร้างขึ้นเป็นตัวการสำคัญซ้อนอยู่เบื้องหลังการเกิดปัญหาเศรษฐกิจที่ร้ายแรงเพราะฉะนั้นสำหรับพระจึงต้องพยายามมุ่งคุณค่าแท้ให้คงอยู่ส่วนครวะนั้นขอให้ตรหนักไว้อย่าเพลินอย่าลืมอย่าประมาทอย่าหลงเกินไป คารวาสเป็นไปไม่ได้ที่จะอยู่อย่างพระแต่ว่าอย่าหลงลืมอย่ามวัวเมาต้องพยายามคํานึงคอยตระหนักถึงคุณค่าแท้ไว้ด้วยว่าเราใช้สิ่งนี้เพื่อประโยชน์ที่แท้จริงคืออะไรอย่าลืมตัวจนเลยเกินไปอันคุณค่าของวัตถุที่มีสองชั้นนี้เป็นเรื่องสําคัญมากวัตถุนั้นเป็นสิ่งไม่เที่ยงแท้ เมื่อเทียบกับนามธรรมหรือคุณธรรมแล้ววัตถุเป็นสิ่งไม่เที่ยงแท้มีสภาพของความเสื่อมสลายสุดโทมอย่างเดียวจะเป็นเสื้อผ้าเครื่องนุ่งหม่มบ้านที่อยู่อาศัยมันอยู่ได้ชั่วคราวชั่วระยะกาหนึ่งห้าปีสิบปีสั้นกว่ายาวกว่าบ้างเสร็จแล้วมันก็ต้องแตกสลายสุดโทมไปเป็นหลักธรรมดานี้เป็นความไม่เที่ยงแท้ของตัววัตถุเอง ส่วนคุณค่าของมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันไม่เที่ยงอย่างที่อาตมาภาคกล่าวแล้วมันอยู่ที่ค่านิยมที่คนสร้างกันขึ้นเท่านั้นค่านิยมที่ว่าเป็นกรรมอยู่ในใจของเรานี้เราสร้างมันขึ้นคอยคิดดูสําหรับเราอาจจะนึกถึงว่าต้องใส่เสื้อนอกให้เรียบร้อยต้องซักต้องรีดรู้สึกว่ามันให้ความมีสีส ง, งา่าเป็นสิ่งสาคัญในทางสังคม อะไรต่ออะไรมีภูมิฐานและอาจจะต้องไปนั่งในห้องแอร์คอนดิชันนั่งสบายทำงานอย่างภาคภูมิแต่มาถึงอีกสมัยหนึ่งคนอีกรุ่นหนึ่งอาจจะเห็นว่าเอพวกผู้ใหญ่ที่มัวไปใส่เสื้อนอกต้องรีบเสื้อผ้าให้เรียบร้อยไปนั่งทำงานในห้องแอร์คอนดิชันทำโต๊ะให้สะอาดแม่มันไม่ได้ความสุขเลยไม่ได้เป็นสาระอะไรเลยต้องไปนั่งลำบาก นั่งต้องระวังเสื้อผ้าของตนเองต้องระมัดระวังท่าทางอะไรอย่างนี้สู้ปล่อยตัวขมุขขมอมไม่ได้สบายดีกว่านอนกลางดินกินกลางทรายจะนั่งจะ ก, ก้มจะ ก, กลิ้งอย่างไรก็ได้แล้วมันก็จริงของเขาอยู่เหมือนกันถ้าว่ากันไปแล้วใครจะสบายกว่ากันคนหนึ่งปล่อยตัวขมุขขมอมเสื้อผ้าก็ไม่ต้องรีดก็ไม่ต้องเอาใจใส่มันปล่อยไปทีก็แล้วแต่จะไปนอนที่ไหน อะไรต่ออะไรได้ทั้งนั้นเขาก็ว่าของเขามันสบายเนี่ยละสังคมมันไม่แน่คุณค่าที่ว่ากันไว้มันขึ้นกับความนิยมสมัยหนึ่งเราอาจจะเห็นว่าอย่างนี้มีสักมีสีมีภูมิมีฐานคนอีกสมัยหนึ่งมันนานเข้าเห็นความเจริญทางวัตถุมากเบื่อหน่ายเสแล้วบอกว่าอย่างนี้ไม่ได้ความหรอกหาความทุกข์ให้กับตัวเอง สร้างระเบียบสร้างอะไรต่ออะไรมาให้ตัวเองลำบากอยู่กันด้วยระเบียบอยู่กันด้วยมารยาทางสังคมไม่มีดีเป็นทุกข์สู้ไม่ต้องเอื้อเฟื้อต่อสิ่งเหล่านี้อยู่สบายกว่าเขาอาจจะคิดขึ้นมาอย่างนั้นก็ได้ในระยะยาวคนอยู่ในเมืองนานๆอาจจะคิดอยู่ป่าขึ้นมาบ้างก็ได้ การสอนหลักกรรมให้ได้ผลในเมื่อคุณค่าของวัตถุนี้มันไม่เที่ยงไม่แท้อยู่ที่การสมมุติสร้างค่านิยมกันขึ้นค่านิยมก็เริ่มในจิตใจของเรานี่เองนี่แหละจึงเป็นกรรมอันหนึ่งของสังคมสังคมจะเอาอย่างไรเป็นเรื่องของสังคมในระยะยาวอัตมาภาพจึงว่าจะต้องปลูกฝังกันตั้งแต่เด็ก จะต้องการค่านิยมแบบไหนวางกันไว้เริ่มกันแต่มโนกรรมคือค่านิยมนี้เมื่อกาหนดได้ว่าอันนี้ถูกต้องแล้วเราจะได้ปลูกฝังคนของเราให้สร้างความรู้สึกนิยมในค่านิยมนี้ตั้งแต่เล็กแต่น้อยเมื่อเป็นความนิยมที่ดีที่งามถูกต้องแล้วเขาก็พอใจในระยะยาวก็ได้ผลโดยเฉพาะค่านิยมในเรื่องความซื่อตรงต่อกฎธรรมชาติ อันเป็นความสมดุลทางวัตถุ ก, กับทางจิตใจเมื่อปลูกฝังกันมาคนในสังคมนั้นมีค่านิยมอย่างนี้ต่อไปก็ประพฤติกันได้เพราะว่ากรรมมันเริ่มจากมโนกรรมมีความใฝ่ความชอบขึ้นก่อนมิฉนั้นพระพุทธเจ้าจะไปตรัสทําไมว่าในกรรมทั้งหลายกายกรรมก็ตามวจีกรรมก็ตามมโนกรรมก็ตามมโนกรรมสําคัญที่สุด ในลทัทธินิ่ครนเขาบอกว่ากายกรรมสำคัญกว่าเพราะกายกรรมนี้แสดงออกในภายนอกเอามีดมาฟันคุณก็ตายถ้าคุณมาเพียงแต่ใจแล้วทาไม่ฉันตายได้ไหมทำนองนี้แต่อย่าลืมว่านี่เขามองแคบสั้นเกินไปในระยะยาวเรื่องปลูกฝังกันทางจิตใจนี่สำคัญกว่าสังคมจะเป็นอย่างไรก็เริ่มแต่มโนกรรมนี้ไปเพราะฉะนั้น ถ้าเราปลูกฝังเด็กของเราให้มีค่านิยมอย่างนี้แล้วให้ประพฤติตามแนวแห่งหลักกรรมต่อไปในระยะยาวก็จะได้ผลอันนี้กล่าวย้ำอีกครั้งอย่างสั้นที่สุดว่าจะต้องปลูกฝังมโนกรรมส่วนที่เขาเรียกว่าค่านิยมแห่งธรรมะหรือค่านิยมแห่งความซื่อตรงต่อกฎธรรมชาติให้มีขึ้นในสังคมให้ได้โดยเฉพาะในหมู่อนุชนของสังคมนั้น และข้อนี้จะต้องถือว่าเป็นภารกิจสำคัญยิ่งอย่างหนึ่งของการศึกษาเพราะว่าที่จริงแล้วมันเป็นส่วนเนื้อหาสาระของการศึกษาทีเดียวอัตมาภาพเพียงเสนอความคิดเห็นไว้จะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์เพียงไรก็สุดแต่ท่านพิจารณาในฐานะที่ส่วนมากท่านก็เป็นผู้สนใจฝ่ธรรมกันมาแล้วได้ศึกษาธรรมกันอยู่ที่อัตมาภาพพูดมานี้ก็เป็นการพูดในฐานะนักศึกษาธรรมอีกผู้หนึ่ง นำข้อคิดเห็นในการที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาเสนอแก่ท่านเป็นการประกอบความคิดการพิจารณาถ้าหากว่าจะได้ประโยชน์อย่างไรแม้แต่จะเป็นประโยชน์สักเล็กน้อยก็ขออนุโมทนายินดีเรื่องกบมนี้เป็นเรื่องของความจริงมนุษย์นั้นก็อยู่กับความจริงและหนีความจริงไปไม่พ้นแต่มนุษย์นั้นก็ไม่ค่อยชอบนักที่จะเผชิญกับความจริง ทั้งๆ ท, ที่ตัวจะต้องอยู่กับความจริงอยู่ในความจริงยังพยายามสร้างสิ่งเคลือบแฝงมาทาให้รู้สึกว่ามีรสมีความสนุกเพลิดเพลินยิ่งขึ้นเหมือนอย่างในเรื่องคุณค่าที่ว่ามนุษย์เราใช้ปัจจัยสี่มีคุณค่าแท้กับคุณค่ารองนี้ความจริงคือคุณค่าแท้เนี่ยปฏิเสธไม่ได้แต่เพราะมนุษย์มักไม่ค่อยพอใจอยู่กับความจริง เที่ยวหาสิ่งที่มาเป็นเครื่องประกอบเคลือบแฝงทำให้รู้สึกมีอร่อยมีสนุกสนานขึ้นเกิดเป็นคุณค่ารองเป็นทางให้มนุษย์เกิดปัญหาได้มากยิ่งขึ้นเรื่องกรรมเป็นเรื่องความจริงความจริงนั้นปฏิเสธไม่ได้และเกี่ยวกับชีวิตเราทุกคนต้องยอมรับความจริงแต่ในเมื่อมันเป็นความจริงแล้วมันเป็นเรื่องยากไม่สนุกสนานอ ร, อร่อย การที่จะศึกษาให้เข้าใจชัดเจนก็ตามการจะปลูกฝังกันขึ้นมาก็ตามเป็นเรื่องยากเรื่องใหญ่จะต้องทำความพยายามอย่างที่ว่าคือต้องปลูกฝังกันมาตั้งต้นแต่ค่านิยมจะมาเอาปรับขึ้นมาไม่ได้มันก็ไม่สนุกสนานอะไรเท่าไรเพราะฉะนั้นก็ยากเป็นเรื่องยากอย่างที่ว่ามานี้